ห้าวันเนอนหลวงพ่อได้พักอยู่แต่ในกุฏิสามวันภาวนากับบุญมาแบ่งให้ไม่พักไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านอย่างพักเลยท่านพักเป็นช่วงๆท่านพักที่ยงนานพักยาวๆมีกำหนดไว้เลยว่ามีแต่พระอนุนเนื้อพระบุปผา เอาอาหารไปถวายเลยนะพระอื่นไม่ให้เข้าไปนี่พระในท้องถิ่นนะเขาเลยไปตั้งพระวิไนกันเองกำหนดนะบอกว่าถ้าใครเข้าไปเฝ้าพระเจ้าช่วงที่ท่านหลีกเล่นนะอาบัติปาจิตตีหรืออะไรเงี้ยมียองเรเป็นน้องพระสารีบุตรนะท่านก็ไปเฝ้า พวกพระจะมาปรับอําบัติท่านท่านไม่ยอมพวกพระเลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่บัญญัติพระวินัยได้นะคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระอื่นมาบัญญัติพระวินัยเอาเองพระอื่นเลยโดนตุไปบัญญัติธรรมะวินัยที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติพวกเราเถรวาดเราถือหลักที่พระมหากัตริย ท่านขอมติส่งไว้ว่าเราจะไม่แก้ไขพระธรรมวินัยให้เราจะรักษาพระธรรมวินัยอย่างเที่ยงตรงที่สุดเลยในเวลาตั้ง2 5 0 0 2 6 0้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งเลยพระใจปีดกนะมีหลายฉบับหลายประเทศนะผิดกันตัวสองตัวเองดูเขารักษากันได้เข้มงวดขนาดนั้น พวกเร า, าต้องรักษาต่ออย่าไปนึกแก้ออกตามใจชอบไม่ได้นะพวกคนมีกิเลสอย่าไปแก้ถ้าใจผิดตรงไม่ถูกทําไม่ได้มันนึกเอาเองมันเป็นสิ่งซึ่งคนไม่มีกิเลสท่านช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นคําสอนที่รวบรวมขึ้นมาเรามีหน้าที่รักษาสืบทอดไม่ไม่มีหน้าที่ปเปลีป่ยนแปลง หลวพ่อท้าอย่างหนึ่งเลยว่าพวกเรานะที่เราไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราว่าเข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจจริงหรอกลงมาภาวนานะภาวนาไปแล้วความรู้ความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลวงพ่อน่กอนจะบวชนะอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านตั้งหลายเที่ยวยกเว้นอภิธรรมปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องอภิธรรมมาอ่านรู้เรื่องได้นเนี่ยพระอาศัย คำพีบทหนึ่งนะชื่ออภิธรรมัทธสังคหะแล้วก็ดีกาที่อธิบายมัธอภิธรรมมัทธสังขาหะซึ่งเป็นคมภีร์ชั้นหลังถึงจะไปอ่านพระไตรปิฎกในส่วนของอภิธรรมได้ถ้างั้นอ่านไม่รู้เรื่องหรอกมีแต่หัวข้อมีแต่สัพท์แต่อ่านพระวินยัยพระสูตร น, นี่อ่านหลายรอบนกะ็นึกว่าเข้าใจนึกว่าเข้าใจ หลังๆเนี่ยมาไปพลิกๆดูนะโอ้อันนี้ก็น่าทึ่งอันนี้ก็น่าทึ่งนะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยงัย้นหน้าที่พวกเราศึกษาไว้นะเรียนอ่านนะลองอ่านพระไตรปิฎกดูบ้างส่วนที่ง่ายๆพวกพระสูตรนะสูตรแรกยากชื่อพรมชาลสูตรยากหน่อยก็ยังยากก็เว้นไว้ก่อน อ่านสูตรที่สองสามอ่าอย่าผลสูตรเลยถ้าภาวนาเป็นนะจะรู้สึกโอ้สนุกนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นการสอนกรรมฐานที่หลากหลายมากเลยนี่วันนี้ท่านไม่หมาท่านเฉนินท่านไปเจอพระสูตรอันนึ่งนะแจกแจงออกมาบอเหมือนที่หลวงพ่อสอนเปียบเลยว่าเรื่องศีลเนี่ย ให้มีสติรักษาจิตนะศีลจะเกิดให้มีสติรู้รูปรู้นามเรื่อยๆไปนะรู้ด้จิตที่ตั้งมั่นฝึกไปเรืมีสติรู้รูปนามนะจิตไม่ไหลไปนะจะได้สมาริแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นการเจริญปัญญาท่านไปลอกใส่กระดาษมาแผ่นเบลอเลย กระดาษโฆษณาขายไอโอดีนท่านแยกแยะเองว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะที่หลวงพ่อสอนพวกเราบ่อยๆนะบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางท่านแยกลงไปในโพชชงเจ็ดได้โอ้ก็เก่งนะมีสติใช่ไหมก็คือสติสามโพธิชง รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือธรรมวิจยะด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิต ท, ที่ทรงสมาธิองค์ธรรมองจิต ท, ที่ทรงสมาธินั้นมีตั้งแต่ปิริยะมีปีติมีปัสสัททีมีสมาธิแล้วก็รู้ด้วยความเป็นกลางคือตัวอุเบกขาก็เก่งกว่าเราอีกมากแจกแจงลงไปได้สิ่งที่หลวงพ่อมาเล่าๆพวกเรามาบอกพวกเรานะั้มันไม่ใช่ของใหม่ ในของเก่าถ้าเราได้ศึกษาแล้ ว, ลวเราก็จะรู้มันมีอยู่แล้วล่ะแต่ภาษาฟนะังยากเป็นภาษาของคนรุ่นก่อนไม่ใช่ภาษาของคนรุ่นเราพระไตรปิฎกสมัยกรุงแตกราชการที่หนึ่งท่านพยายามรวบรวมมาพระไทยก็เก่งนะอุตสรแปลพระไตรปิฎกมาได้นะรวบรวมมาขนาดกรุงแตกแนละ้วท่านยังรวบรวมออกมา ไปตอนนี้ไปเทียบกับภาษาของประเทศอื่นนะผิดการคาสองคานิดเดียวเองไม่กี่คาหรอกท่านรักษากันทุ่มเทกันด้วยชีวิตจริงๆในการรักษาสืบทอดธรรมะไว้ในการที่หนึ่งนะท่านไปรวบรวมใบลานคําผีทั้งหลายมานะให้พากันช่วยกันตรวจสอบตรงนั้นตรงตรงนี้ไม่ตรงเนี่ยตัวเนี่ยไปตวนี่มา พอได้ต้นฉบับที่ท่านคิดว่าถูกต้องแล้วท่านก็จานลงใบลานเรียฉบับทองทึบปิดทองเลยนะหน้าปกเสร็จแล้วก็สร้างหอไตรเก็บไว้ฟ้าผ่ายังไม่ทันเลยเลยนะฟ้าผ่าหอไตรไฟไหม่ที่วัดพระแก้วนี่นะทั้งเจ้าทั้งไพรนะลุยเข้าไปนะขนออกมา ดูดใจถึงขนาดนั้นนะช่วยกันขนหนีไฟออกมาได้นะท่านก็มองโลกแง่ดีท่านเป็นคนที่มองโลกแง่ดีเสมอเลยและการที่หนึ่งเนี่ยนี่ยจุดเด่นของท่านนะั้นท่านถึงฝ่าความทุกข์ยากได้เยอะท่านมองโลกแง่ดีว่าเออไฟไหม้บางคนเขาบอกลางร้ายเพิ่งตั้งประเทศไม่นานนะทำพระไตรปิฎกเนี่ยาศาสนาจะสิ้นสุดแ ล, ล้วบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ เทพยาดาเนี่ยเห็นว่าหอพระไตรปิฎกที่สร้างไว้ยังเล็กเกินไปอย่าได้ให้สร้างใหม่ให้โตๆโตโตคิดอย่างนี้นะท่ mm hmm. านอธิบายอย่างนี้เหมือนตอนที่ท่านปราบดาพิเศษสร้างปราศาสตร์อินทราพิเศษนเลยเนี่ย mm hmm. สูงเท่าพระที่นั่งสันเพชรปราศาสของอายุทยาฟ้าผ่าท่านเลยสร้างพระที่นั่งดูสิตเตี้ยลงมาหน่อย mm hmm. ท่านเองเป็นคนที่มองโลกแง่ดีตลอดไม่มีคำอธิบายคำอธิบายบอกาสูงไปเทวดาให้แค่นี้ตอนท่านมาจากอัมพวาพาภรรยาท่านมาด้วยคุณนากชื่อคุณนากนั่งเรือมาญาติญาติของคุณนาคเนี่ยนะใจร้อนอยากจะไปสู้พมา่าชื่อหลวงอะไรหลวงพ่อจำไม่ได้นะ ถือดาบนะสองมือเลยยืนอยู่หัวเรือในขณะที่ราชการที่หนึ่งกับเมียเนี่ยนั่งอยู่ในประตนเรือนั่งก็คุยกันเล่นหัวเราะกันอย่างนหลวงนี่แกหมูโหกับว่าเลยว่าเสียบ้านเสียเมืองจะไปกู้บ้านกู้เมืองมานั่งหยอกกับเมียอยู่อีกอย่างเงี้ยท่านบอกตอนนี้ยังไม่ใช่เวลารบเนี่ยาต้องพักผ่อนให้แข็งแรงก่อนเรื่องอะไรไปยืนอยู่หัวเรือเดี๋ยวเรสู้ใครเขาไม่ไหวสิ เหลืองหลวงนั้นแกโกรธนะแกก็ให้คนถ่ายเรือเนี่ยเบนหัวเรือเข้าชิดฝั่งเลยแล้วแกขึ้นบกแกไม่ไปด้วยแล้วคนไม่รักชาติตั้งแต่วันนั้นหลวงนี่หายไปเลยไม่เคยมีใครเจอตัวอีกเลยคงไปรักชาติอยู่ในป่าในเขาตายไปแล้วเหไมท่านฝ่าความทุกข์ยากมนได้ท่านมองโลกแง่งไม่ให้หมองว่าฝันหวานนะแต่รู้จัก เวลานี้เวลาที่จะต้องพักก็พักนะแล้วมองโลกแงด่ดีเวลามีปัญหาไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ใหม่เดี๋ยวทําใหมนะ่พวกเราก็เจอปัญหานะเราไม่เปัญหาหนักอย่างที่บรรพูรุษเคยเจอดูท่านสร้างบ้านสร้างเมืองนะสร้างพระไตรปิฎกสร้างอะไรนะลำบากกว่าเราเยอะเลยของเราน้ําท่วมบ้านนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ซ่อมมาใหม่ไม่เป็นไรหรอกยันคะวามทุกข์เนี่ย มันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยมันไว้ไหมถ้าเราปล่อยให้มันท่วมทบท่วมทน จ, จิตใจเรานะั้นก็ทุกข์กไปอยู่นั้นแหละถ้าเราสู้ด้วยสติด้วยปัญญาความทุกข์ก็เป็นของมเมทิยงเรื่องอะไรจะต้องไปจมอยู่ในความทุกข์ความทุกข์มันเป็นของมเมทิยงมันมาได้มันก็ไปไดนะ้อยู่ที่ว่าเราวางใจถูกต้องไหมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะถ้าเรามองว่ามันเป็นของชั่วคราว เราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกเวลาไม่สบายเคยนึกไหมว่าไม่นานก็หายถ้าเจ็บป่วยนะคิดว่ามันจะหายนะมันก็มีกําลังใจนะถ้าคิดว่าตายแน่ก็ตายเร็วเลยอยู่ที่ใจเรานะเข้มแข็งไว้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไว้ความสุขในชีวิตเราก็ของชั่วคราวเพราะงั้นถ้าความสุขหายไปก็ไม่ต้องตกใจ ความทุกข์ในชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราวนะถ้าความทุกข์มาก็ไม่ต้องตกใจเพราะมันชั่วคราวเนดน็กพยายามสอนตัวเองไปเรื่อยๆหลวงพ่อถึงสอนคาถาให้เวลาพวกเราที่มีความทุกข์มากๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่พวกเราจะเอาคาถานี้ไปใช้ตอนที่ตกทุกข์ได้ยากตอนสบายไม่ยอมท่องงั้นตอนสบายท่องไว้ด้วยนะ พความสุขความสบายที่เราเจออยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกันไม่มีหรอกความสุขถาวรนะความทุกข์ถาวรก็ไม่มีเวลาเราอยากได้อะไรสิ่างที่ยากๆเราได้มาเราดีใจรู้สึกไหมดีใจสังเกตไหมความดีใจสั้นๆเดี๋ยวก็หายไปแล้วนะเดี๋ยวก็ไปอยากอย่างอื่นต่อบางทีไปจีบสาวนะอยากได้มาเป็นแฟน ได้มาไม่นานนะก็รู้สึกแฟนคนอื่นมันสวยกว่าแนละ้วอยากให้มันผ่านไปเร็ว่านั่งท่องคาถามันไม่ไปอีกเนะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอแต่มันอยู่นานจังเยันทุกอย่างในชีวิตเรานะหัดดูไปมีของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าคนไหนภาวนาไม่เป็นนัะก็ท่องคาถาไปวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความสุขมาก็ท่องคาถาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกมาก็ท่องคาถาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้าคนไหนพัฒนาขึ้นไปอีกก็มาหัดภาวนามาดูที่ใจเรานี่แหละในใจเราเนี่นะั้นความสุขมาแล้วมันก็ไปความทุกข์มาแล้วมันก็ไปค่อยดูอยู่บ่อยๆความสุขเกิดจากอะไรความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากทัษะคือการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตาเรามองเห็นรูปใจเราก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างบางทีก็เฉยๆถ้ารูปไม่มีความหมายอะไรไม่สําคัญอย่างเรานั่งรถไปนะ เห็นข้างทางรับปลูกต้นไม้สวยๆเนี่ยมีความสุขนั่งรถไปเห็นรถชนกันคนตายเละเทะเลยดูสยดสยองจิตใจสยดสยองจิตใจไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แต่นั่งรถไปส่วนใหญ่ก็เห็นรูปที่ธรรมดาธรรมดาไม่สวยโดดเด่นจนกระทั่งชอบนะไม่น่าเกลียดน่าชังจนกระทั่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจก็เฉยๆปกติใจเฉยๆ กระทบอารมณ์ที่แรงขึ้นมาแล้วถึงจะสุขจะทุกข์ขึ้นมานี่ความสุขความทุกข์นะมันมาจากการกระทบอารมณ์ตาเรามองเห็นนะความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจโอได้ยินเสียงนะความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจได้ยินเสียงชมนะใจก็พอ ง, ด ไ, ง, ไ, งได้ยินเสียงดา่าใจเป็นไงใจเป็นไงได้ยินเสียงด่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่แน่อย่าสูงว่าเพื่อนเรามันชอบด่าเรานะ บางคนมันด่าแม่ตลอดเลยบางคนเราไม่ค่อยอยากคบมันนะแต่มันก็นิสัยอย่างอื่นดีดีนะวันนึงได้ยินเสียงมันด่านะดีใจนะ เ, เจอไอ้คนนี้อีกแล้วไม่แน่นะะว่าเสียงด่าทําให้เป็นทุกข์นะบางคนได้กลิ่นอาหารคนเห็นว่าเหม็นเหม็นนะเขาหอมเพราะมีความสุขอันนี้เคยกินตั้งแต่เด็กเด็ก งั้นไม่ใช่ว่าได้กลิ่นหอมแล้วมีความสุขได้กลิ่นเหม็นแล้วมีความทุกข์นะไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงชมแล้วมีความสุขได้ยินเสียงด่าแล้วมีความทุกข์มีแม่คนมันชมเราแต่ว่ามันชมแบบแฝงความแกละงแกลแนมีไมมันอยู่ที่อะไรที่ทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์นอยู่ที่การตีความถ้าเราตีความแล้วอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็มีความสุขมีอิทารมมีอารมณ์ที่ชอบใจนั้นก็มีความสุข ปอตีความแล้วนี่เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นอนิพถารมก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมานั่นอาศัยผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นี้ยังไม่สุขไม่ทุกข์หรอกยังเฉยเอยู่เง้นเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตที่ไปรู้รูปจิตที่ไปฟังเสียงจิตที่ได้กลิ่นจิตที่รู้รสเลยเนี้เป็นอุเบกขาล้วนๆเลยไม่มีสุขมีทุกข์หรอก ในขณะที่ตามองเห็นไม่สุขไม่ทุกข์ในขณะที่หูได้ยินเสียงไม่สุขไม่ทุกข์ต้องมีการตีความทางใจก่อนตีความแล้วนี่เป็นอารมณ์ที่ดีนะก็มีความสุขขึ้นมาตีความแล้วนี่เป็นอารมณ์ไม่ดีก็มีความทุกข์ขึ้นมานะอย่างบางคนนะไปฟังเพลงเพลงบางทีนะ่เสียงดังมากเลยอยู่คนละหมู่บ้านยังได้ยินเลยนะเขามีความสุขนะเขาฟังแก้หูเขาใกล้จะแตกแล้วเขามีความสุข เราอยู่ทั้งหางนะขี้หูร่วงกล่าวนะเรามีความทุกข์นะเสียงนั่นเดียวกันนะสุขทุกข์ไม่เท่ากันหรอกเนี่ยสิ่งที่สัมผัสอันเดียวกันนะคนเราตีความให้เหมือนกันแต่เราจะไปห้ามการตีความของจิตไม่ได้เราจะไปสั่งให้จิตตีความไปทางบวกอย่างเดียวไม่ได้และจิตเป็นอนัตตาเมื่อมันตีความขึ้นมาแล้วนะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจมันมีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันมีความทุกข์ขึ้นมา ตาจะมองเห็นรูปก็ห้ามไม่ได้เพราะห้ามห้ามไม่ได้นะเพราะกระทบอารมณ์ทางตาแล้วจิตจะตีความไปอย่างไรก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ความสุขความทุกข์จะเกิดก็ยังสั่งไม่ได้อีกเพราะตัวความสุขความทุกข์เนี่ยนะเป็นตัววิบากเป็นตัวผลของกรรมมีกรรมดีมานะส่งผลมากระทบอารมณ์ที่ชอบใจมีกรรมไม่ดีทามากระทบอารมณ์นะส่งผลที่ไม่ชอบใจเห็น งั้นตัวผัดสะก็ดีนะตัวการตีความของจิตก็ดีตัวความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ดีล้วนแต่เป็นของที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นวิบากล้วนๆเลยตรงนี้ยังไม่มีกิเลสงั้นอย่างเวลาที่ใจเรามีความสุขขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีกิเลสแต่พอมีความสุขขึ้นมาแล้วรู้ไม่ทันกิเลสจะแทรกล้พอความสุขเกิดขึ้นรู้ไม่ทันนะจะเกิดความเพลิดเพลินพอใจเรียกมีราคะมีความกำหนัดมีความยินดี เกิดขึ้นความเพลิดเพลินพอใจความยินดีตัวราคะตัวนี้เป็นกิเลสนะไม่ใช่วิบากตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัววิบากตัวผัสสะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัววิบากตัวเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิบากแต่ตรงที่มีเวทนาเกิดแล้วกิเลแสแทรกตัวนี้ไม่ใช่วิบากแลเป็นของใหม่สดสดร้อนๆมีการกระทํากรรมปัจจุบันละ เพราะนเวลาที่เรามีความสุขเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะราคาจะแทรกจะเพลิดเพลินพอใจ ร, ราคาแทรกแล้วจิตใจจะเกิดความดิ้นรนนะพอมีกิเลสแล้วจิตใจจะดิ้นรนเพราะราคาแทรกเนี่ยจิตเขจะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะพอโทสะแทรกกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะไม่ถูกอกถูกใจมีความทุกข์ขึ้นมาโทสะจะแทรกนะไม่ชอบเกิดความอยาก ให้ความทุกข์นั้นหายไปเห็แม้ความอยากมันตามหลังการกระทบอารมณ์ตามหลังความรู้สึกสุขทุกข์มาอีกทีในตําราถึงสอนบอกว่าเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาการกระทบอารมณ์นะความสุขความทุกข์นะเป็นปัจจัยให้เกิดความอยากขึ้นมานี่ก่อนจะอยากได้นะั้นมันมีกิเลแสแทรกซะก่อนนะงั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีความสุขความทุกขนะ์จะต้องมีกิเลสเสมอไปนะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีตันหาเสมอไปถ้าจิตนั้นฝึกดีแล้วนะอย่างพระราหารันนั้นท่านเห็นอารมณ์ที่ดีนะจิตท่านก็ไม่มีราคะจิตท่านก็ไม่ดิ้นรนไปตามความอยากด้วยอำนาจของราคะหรือพระราหารนะันนั้นท่านกระทบอารมณ์ไม่ดีนะจิตท่านไม่มีโทสะท่านก็ไม่มีความอยากที่จะปฏิเสธอารมณ์นั้นไม่มีความดิ้นรนของจิต งั้นจิตจะปราศจากความดิ้นรนไม่มีความอยากแล้วจิตก็ไม่มีความดิ้นรนงั้นเวลาที่กระบวนการของจิตมันทํางานนะมันจะปรุงแต่งขึ้นมานี่มันเป็นขั้นเป็นตอนอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วเนี่ยถ้าพูดให้ละเอียดมันตีความได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ดีมันก็มีความสุขตีความได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็มีความทุกข์ขึ้นมาตีความแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีสาระอะไรมันก็เฉย พอมีความสุขขึ้นมาเนี่ยถ้าสติปัญญาไม่ทันนะราคะจะแทรกมีความทุกข์ขึ้นมาโทสะจะแทรกมีความเฉยๆนะ่าส่วนมากโมหะเอาไปกินหมดนะเผลอๆเพลิลลนๆไปเพราะไม่มีอะไรโดดเด่นเวลาเรามีชีวิตที่ไม่ถูกไม่สุขไม่ทุกข์มากสังเกตไม่ชอบเพลินๆเผลอๆไปนะพอกิเลสแทรกแล้วตัณหามันก็เกิดนะราคะแทรกมันก็เกิดการ ม, มาตัณหาอยากได้อารมณ์อันนี้นะ อยากมีมีภาวะตัณหาอยากได้สภาวะอย่างนี้นะเวลาโทาสนะแทรกเกิดวิภาวะตัณหาไม่อยากได้สภาวะอย่างนี้อยากให้สภาวะอย่างนี้หายไปมีความอยากเกิดขึ้นอ ย, า, อยากจะเอาไว้ก็อยากจะผลักออกนะถ้ามีราคาก็อยากเอาไว้มีโทสะก็อยากผลักออกมีตัณหาขึ้นมาพอใจมีตัณหาเกิดขึ้นนะตัณหาเป็นผู้สร้างภพ พคืออะไรพบสาหรับพวกเราที่เกิดมาแล้วในพบของมนุษย์นี้ในภูมิมนุษย์นี้พบย่อยๆที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาพบคืออะไรพบคือตัวเจตนาหรือตัวการกระทํากรรมของจิตนะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่มีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดความจงใจขึ้นมาอย่างเวลาเราอยากปฏิบัตินึกออกไหมเราจะจงใจปฏิบัตินึกออกไหมเวลาอยากเดินจงกรมสังเกตไหมจะจงใจเดินจงกรมไปจ้องอาไว้ไปเพ่งเอาไว้ ใจจะเกิดอะไรขึ้นแน่นๆรู้สึกไหมอยากปฏิบัติเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวดีอยากปฏิบัติเป็นเรื่องดีนะปรุงดีนะอยากไปในทางดีสร้างพบที่ดีคือพบของนักปฏิบัติแต่ความทุกข์เกิดไหมเกิดทําไมความทุกข์ถึงเกิดมีพบเพื่ออะไรก็มีทุกข์มานั้นแหละถ้ามีพบเหมันก็จะมีชาติคือการที่จิตเข้าไปยึดถือ หยิบเฉยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจว่านี่ตัวกูนี่ของกูความทุกข์มันก็ติดไม้ติดมือเข้ามาด้วยนี่แหละกระบวนการที่จิตเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพนะฉั้นถ้าเรามาฝึกฝนตัวเองนะเรามาตัดกระบวนการนี้วิธีตัดกระบวนการนี้ไม่ยากอะไรมีสติรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใ จ, ในใจบ่อยๆจนเห็นเลยความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์มันก็ชั่วคราว ถ้าเห็นได้นะว่าความสุขความทุกข์เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นในใจเนี่ยกิเลสจะแทรกไม่ได้ความสุขมันเป็นของชั่วคราวแล้วจิตมันก็ไม่ไปติดใจเพลิดเพลินในความสุขนะราคาไม่แทรกราคาไม่แทรกตัญหาไม่เกิดตัญหาไม่เกิดนะจิตไม่เจตนาทำกำ่มทำงานทางใจ จิตไม่ดิ้นรนทํางานทางใจนะจิตก็จะไม่ไปยึดถือเอาตาหูจมูกเลี้นกายใจขึ้นมานืจิตไม่ไปหยิบเวยเอารูปเอานา้ำตาหูจมูกเลี้นกายใจขึ้นมาจิตไม่มีภาระจิตไม่มีความทุกข์เวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันถ้าไม่มีสติรู้ทันนะโทสะจะแทรกถ้าโทสะแทรกนั้นก็จะเกิดตัณหาตามอํานาจของโทสะมีตัณหาตามอํานาจของโทสะเกิดขึ้นก็จะเกิดความจงใจที่จะทํากรรมทางใจ นะเช่นโทสะเกิดแล้วก็จงใจอยากด่าเขาอยากตีเขาอะไรนีนะ้ใจมีความอยากนะก็ดิ้นรนหาความสุขหาความสงบไม่ได้นะมีความทุกข์ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราสามารถมีสติปัญญานะเราเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวราคาจะไม่เกิดเราเห็นว่าความทุกข์มันเป็นของชั่วคราวนะโทสะมันจะไม่เกิดแล้วก็ถ้าใจมันเฉยๆขึ้นมาเรามีสติรู้ทันไม่ขาดสติไปโนะมหะจะไม่เกิด ถ้าราคาโทสะโมหะไม่เกิดนีตัณหามันก็ไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีน้ําพบคือความดิ้นรนของจิตใจก็ไม่เกิดเมื่อความดิ้นรนในจิตใจไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์ทางใจมันจะไม่มีเหตุนันพวกเรามาฝึกนะฝึกตัวเองตาหูวจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันรู้เฉยเฉยรู้จนเดียทั้งเห็นความจริงว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว ฝึกให้ได้อย่างนี้นะแล้วเราจะตัดวงจอดของปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเราตัดมันได้นะถ้าสติปัญญาเราพอตัดมันตรงเวทนาเนี่ยง่ายที่สุดเลยถ้าไปตัดตรงตัณหาเนี่ยตัณหาเกิดเรารู้ทันเป็นคราวๆเดี๋ยวตัณหาก็มาอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าตัดเข้าไปถึงเวทนาได้นะต่อไปก็ตัดลึกๆลงไปตัดไปถึงเอาวิชาได้นะไม่ยากอะไรลองดูนะ เดี๋ยวไปกินข้าวเจอของชอบใจมีความสุขรู้ทันเจอของไม่ชอบใจมีความทุกรู้ทันไปเข้าแถวอยู่มองไปไกลๆเห็นของที่ชอบใจตาเห็นแนละมีความสุขรู้ทันคนอื่นตักไปก่อนโทสะเกิดแล้วมีความทุกข์ลวรู้ทันนะงั้นดูสุขดูทุกข์ในใจของเราเวลาไปเข้าห้องน้ำบางทีห้องน้ำไม่เข้าไม่ทันนะคนเยอะอนนยืนรออยู่นะ มีความสุขหรือความทุกข์เวลาลรอเข้าห้องน้ำบางคนก็มีความสุขนะเข้าอย่างนั้นแหละในบางคนมันมีความทุกข์เราเห็นคนไหนทุกข์มากเราก็ช่วยเหลือเขาบ้างนะให้เขารัดคิวได้บ้างถ้าเราอย่างไม่ทุกข์อ่ะไปทานข้าวทานข้าวให้มันมีสตินะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไปนิมนต์เลยครับ